ไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนาเดินหน้าอย่างมืออาชีพสู่การเป็นมหาวิทยายลัยแห่งนวัตกรรม RMUT moving towards innovative university มหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรี RMUTT Farm Shop ยินดีต้อนรั บ, รบค่ะ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 89.5 เมกะเฮิรตเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตท่องเที่ยวรูปแบบใหม่เรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นไปกับ c u l t u r Travel โดยดรวิภาวีวีระวงดรสอนชัยบุตรแก้วและอาจารย์พี่พัฒนคุงวัฒนกัลยากุณที่นี่วิทยุราชมงคลธั ญ, ญบุรี FM 89.5 เมกะเฮิรต สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะพบกับรายการ o u วเจอ Travel ค่ะพบกับดิฉันนะคะวิภาวีวิระวงและคุณออ ก, กั ส, สิพัฒนพงศ์วัฒนกันลยาคุณค่ะซึ่งจะพบกับคุณผู้ฟังนะคะเป็นประจำทุกศัพท์นาทีนี้นะคะเ m ฟ9 5มหามหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะ และสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็เป็นสัปดาห์พิเศษอีกเช่นเคยค่ะซึ่งรายการของเรานั้นนะคะจะน้อมลํำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่5นั่นเองนะคะซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งเมืองธั ญ, ญบุรีนะคะและเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรีค่ะ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 ย้อนกลับไปนะคะในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมก็จะอยู่หัวนั้นก็ถือได้ว่าเป็นช่วงของการขยายตัวค่ะในด้านการพัฒนาพื้นที่การเพาะปลูกข้าวนะคะซึ่งพระองค์ท่านนะคะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขุดคลองแขวงเมืองประทุมธานีขึ้นค่ะโดยมีการขุดนะคะเริ่มจากฝั่งริมแม่น้ําเจ้าพระยาที่ตําบลบ้านใหม่แขวงเมืองประทุมธานีผ่านทุ่งหลวงลังสิต น, นั่นเองนะคะโดยออกไปทางแม่น้ํานครนารนยกณทุ่งหลวงค่ะ นั่นก็นับว่านะคะเป็นการเริ่มการชประทานครั้งแรกของประเทศไทยนั่นเองค่ะและการขุดคลองบริเวณทุ่งหลวงนะคะก็มีการดําเนินการโดยบริษัทขุดคลองคูนาสยามค่ะโดยพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสายสนิทวงนะคะทรงขอพระบรมราชานุ ญ, ญาตขุดคลองตามโครงการลังสิทธ์ค่ะและพระองค์นั้นทรงได้รับพระราชทานสัญญาสัมปทานนะคะเป็นระยะเวลา25ปีในการขุดคลองทั้งสิ้นตามโครงการจํานวน59สายนั่นเองนะคะคุณผู้ง ในระยะแรกของการขุดคลองนั้นชาวบ้านก็จะเรียกคลองแห่งนี้ว่าคลองเจ้าสายนั่นเองค่ะก็ตามพระนามของพระองค์นะคะนอกเหนือจากที่เรียกกันว่าคลองแปวานะคะซึ่งเรียกกันตามขนาดความกว้างของคลองนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังนั้นนะคะอาจจะเคยได้ยิ น, นยชื่อของนะคะคลองแปวานั่นเองนะคะ และต่อมาค่ะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นพระองค์ก็ทรงพกกระกัุณาปรดก้าวปลดกำมอมพระราชทานนะคะคลองนี้ว่าคลองรังสิตประยุนศักด์นั่นเองค่ะเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรตินะคะสมเด็จพระเจ้าวรมงค์เธอพระองค์เจ้ารังสิตประยุนศักด์นะค ะ, ะกรมพระยาชัยนาทนาเรศร น, นั่นเองค่ะก็เป็นต้นราชกุลรังสิตนะคะ สมเด็จพระเจ้าบราวงเธอพระองค์เจ้ารังสิตประยุนศักดิ์นะคะก็เป็นพระราชโอรสในเจ้าจอมมารดานเนื่องสนิทวงค่ะซึ่งก็เป็นทิดาในพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสายสนิทวงนั่นเองนะคะซึ่งก็ถือเป็นสายสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงระหว่างรัชกาลที่ห้าและพระองค์เจ้าสายนะคะผู้ก่อตั้งบริษัทขุดคลองและครูนาศยานนั่นเองค่ะ โดยการขุดคลองของบริษัทคลองคูแลนาสยามนะคะก็เพื่อการเปิดพื้นที่เพาะปลูกประกอบกับการเลิกทาดในปีพุทธศักราช2415ด้วยนะคะทำให้ทาดบางส่วนนั้นมีฐานะเป็นเสรีชนนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังและทําให้ถูกผลักดันนะคะให้อพยพไปตั้งถิ่นฐานใหม่ค่ะและขณะเดียวกันค่ะที่สภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติในเขตทํานาดั้งเดิมเช่นแถบเพชรบุรีนั้นก็มีความเปลี่ยนแปลงค่ะจึงทําให้ชาวนาจากชายฝั่งทะเลทางตอนใต้และจากที่อื่นๆนยอยากอพยพเข้าสู่ เขตต่างเศษนะคะเพื่อ เปิดพื้นที่การปลูกค้านั่นเองค่ะโดยส่งผลให้เศรษฐกิจและการผลิตการค้าขายของสยามนั้นเติบโตอย่างรวดเร็วค่ะซึ่งวิถีชีวิตของชาวบ้านริมฝั่งแม่น้ํานี่นะคะแทบไม่ต่างอะไรกับชาวบ้านริมน้าทั่วไปเลยนะคะที่ทุกเช้าก็จะมีพ่อค้าแม่ค้านะคะพายเรือเพื่อมาเสนอขายเครื่องใช้อาหารคาวหวานเต็ม2ฝั่งคลองกันเลยล่ะคะ่ะหรือแม้กระทั่งนะคะมีการขายตุ่มอ่างกระถางคบก็มีให้เห็นเช่นเดียวกันค่ะและสิ่งที่จะดูให้แตกต่างจากที่อื่นก็คง เป็นความคึกคักของบรรดาพ่อค้าแมค้านะคะที่มีการขายของกินมากมายหลายชนิดเลยนะคะโดยเฉพาะเรือขายก๋วยเตี๋ยวค่ะซึ่งมามีให้เราได้เห็นในสมัยนั้นอย่างมากมายเลยนะคะจนเป็นที่มาของก๋วยเตี๋ยวเรือลังสิ์นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังและก็มีชื่อเสียงมาถึงปัจจุบันนี้เลยนะคะ แล้วเวลาก็ผ่านมาเรืยๆค่ะคุณผู้ฟงังจนถึงวันที่13มีนาคม น, นะคะพุทธศักราช2445นั่นเองค่ะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมก็จะอยู่หัวนะคะทรงเครื่องแบบทหารเต็มยศพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชและพระบรมวงศานุวงศ์นะค ะ, สะเสด็จโดยรถพระที่นั่งจากสถานีวังส่วนดุสิตค่ะสิงสถานีรถไฟคลองลังสิตนะคะก็เวลาสองโมงเช้าค่ะที่นั่นก็จะมีพ่อค้าประชาชนนะคะทั้งเมืองประทุมธานีและเมืองธั ญ, ญบุรีนะคะซึ่ง เมืองธัญบุรีนั้นก็คือเมืองทัญบุรีในปัจจุบันนั่นเองนะคะมารับสเสด็จกันอย่างมากมายค่ะแล้วก็มีการกราบบังคมทูล น, นะคะของนายพลค่ะผู้ว่าราชการเมืองทัญบุรีนะคะได้ถวายรายงานความเจริญก้าวหน้าของธัญบุรีค่ะโดยผลสืบเนื่องมาแต่พระจักรพรริในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเองนะคะซึ่งพระองค์นั้นทรงมีพระมหาการุณาทิคุณให้มีการขุดคลองเพื่อเปิดท้องทุ่งหลวงนั่นเองค่ะ และในการขุดคลองเพื่อเปิดทุ่งหลวงนะคะก็มีใจความดังนี้ค่ะผลของความดําริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเปิดท้องทุ่งหลวงให้มีคลองเพื่อเป็นทางเพื่อการเพราะปลูกและไปมาค้าขายประชาชนทั้งหลายจึงได้มีโอกาสเข้าทําไร่ทํานาและทํำมาค้าขายได้สะดวกจนมีโรงสีข้าวด้วยเครื่องจักรกลรถไฟขึ้นในบ้านเมือง และมีเรือดินบรรทุกข้าวเข้ากับสินค้าไปมาตลอดฤดูกาลพอพามหาการุณาที่คุณเพาะปลูกและค้าขายกับทั้งจัดการปกครองดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยด้วยเมืองทั ญ, ญบุรีจึงมีความเจริญโดยเร็วพันค่ะนั่นก็เป็นนะค ะ, ะในเรื่องของข้อความนั่นเองนะคะเมืองธั ญ, ญบุรีนั้นนะคะก็มีเขตแบ่งการปกครองในสมัยนั้นเนี่ยก็เป็น4ี่อำเภอค่ะมีเมืองทั ญ, ญบุรีนะคะอำเภอบางหวายค่ะ อำเภอลำลูกกาและอำเภอหนองเสือนะคะซึ่งตอนนี้ที่ยังอยู่ก็มีอำเภอธัญบุรีนะคะอำเภอลำลูกกาและอำเภอหนองเสือนั่นเองค่ะ ยังไม่หมดขนานั้นนะคะในสมัยของในหลวงรัชกาลที่6กนะคะก็มีการทรงพักตรุณาปลดก้าวปรดกระหม่อมนะคะให้มีการขุดคลองชนรัทานตามโครงการคลองพระอุดมนั่นเองนะคะเพื่อเป็นการเปิดพื้นที่การเกษตรที่กว้างใหญ่ณทุ่งฝั่งแม่น้ําตะวันตกค่ะซึ่งเต็มไปด้วยป่ารกนะคะซึ่งทําให้เป็นพื้นที่ทํานาและพัะปลูกนะคะก็มีชาวบ้านนั้นอพยพเข้ามาอาศัยมากมายค่ะจะเป็นเหตุให้นะคะมีการย้ายที่ทําการจากอําเภอเชียงรากนะคะจากเท็กตั้งไปอยู่คลองปากบ้านพล้าไปตั้งที่ใหม่ จังหวัดระแหงในปัจจุบันนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังและถ้าหากจะกล่าวถึงนะคะพื้นที่ที่คนรู้จักกันในนามทุ่งรังสิตหรือว่าทุ่งหลวงรังสิตนั้นนะคะเดิมนั้นนะคะคุณผู้ฟังทุ่งเหลืองนั้นก็หมายถึงทุ่งอันกว้างใหญ่บนฝั่งตะวันออกของแม่น้ําเจ้าพระยาบริเวณตอนใต้ของยุทธยาลงมาจรดกรุงเทพนั่นเองค่ะก็มีแม่น้ําเจ้าพระยานะคะและแม่น้ําบางประกงค่ะเป็นแนว ขนาดทั้งซ้ายและขวานะคะมีคลองแสนแสบนะคะบางขนาดเป็นแนวเขตแดนทางตอนใต้กันค่ะเช่นเดียวกับการขุดคลองแสนแสบในสมัยรัชกาลที่3นะคะก็ทําให้ท้องทุ่งขนาดใหญ่บริเวณคลองแสนแสบและคลองสาขานั้นมีชื่อเรียกเฉพาะว่าทุ่งหลวงแสนแสบหรือทุ่งแสนแสบนั่นเองค่ะจนถึงในสมัยของในหลวงรัชกาลที่5นะคะก็ได้มีการยกฐานะทุ่งหลวงทั้งสองแห่งนั้น เป็นเมืองมีนบุรีนะคะทุ่งหลวงแสนแสบและเมืองธัญ บ, บุรีทุ่งหลวงลังสิต น, นั่นเองค่ะ พระบาทสมเด็จพระจุนเจลาทรอมกัลเจนหัวนะคะก็ได้มีพระบรมราชองคการให้สถาปนามเมืองธัญญบุรีค่ะก็เราดูได้จากภาพร้อยปีของคลองลังสิตนะคะเป็นลักษณะของทุ่งลังสิตค่ะก่อนที่จะมีการขุดคลองลังสิทธิ์นั้นนะคะภูมิประเทศแห่งนี้นะคะก็เป็นห้วยหนองคลองบึงซึ่งปรากฏอยู่อย่างกว้างขวางนะคะบริเวณลังสิทธิ์ฝั่งเหนือก็ได้แก่ลำบางน้อยนะคะลำไอสังลำหาดทรายลำหนองจิกลำเรือแตกคลองเชียงรากน้อยนะคะคลองเชียงรากใหญ่คลอง บางหวายคอยบางหลวงหัวป่าลำลูกกาบึงทองหลางลำไซบึงคอไห่หนองเสือและส่วนบริเวณของลังสิทธิ์ฝั่งใต้นะคะก็คือลำบางสิงหนองบอลลำลาดโพลำลาดสนุนลำสวายลาดจระเข้บึงคําพลอยลำสีสะกระบือลำสมอกองลำอ้อมแก้วลำมอแตกและคลองชันนั่นเองค่ะ ก็การตั้งถิ่นฐานนะคะก็มีอยู่อย่างเบาบางเลยแหละคะ่ะโดยอยู่อาศัยกันเป็นกลุ่มเฉพาะบริเวณที่มีคลองหรือบางเท่านั้นนะคะที่เชื่อมต่อจากแม่น้ําค่ะและก็สามารถชักน้ําเข้าในพื้นที่เพาะปลูกได้อย่างดีเลยนะคะเพราะว่าพื้นที่ที่ห่างไกลแม่น้ําเป็นหนองบึงนะคะก็จะมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่มากมายเลยแหละคะ่ะสมัยนั้นก็จะมีงูสมันนะคะกวางช้างป่านะคะแล้วก็รวมไปถึงการมีไข่ป่าด้วยค่ะคุณผู้ฟัง เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ฟังนั้นก็เป็นประวัติความเป็นมานะคะของคลองลังสิดค่ะและจังหวัดประทุมธานีนะคะในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า อ, อยู่หัวค่ะก็ถือได้ว่าเป็นช่วงการขยายตัวนะคะในด้านการพัฒนาพื้นที่การเพราะปลูกข้าวค่ะและพระองค์นั้นนะคะก็ได้มีการโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ขุดคลองแขวงเมืองปรทุมธานีค่ะโดยเริ่มจากริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ตาบลบ้านใหม่แขวงประทุมธานีผ่านทุ่งหลวงลังสิดออกไปตามแม่น้ํานครนายกทุ่งหลวงนะคะก็นับว่าเป็นการเริ่มต้นของชนะระทาน ครั้งแรกในประเทศไทยเลยนะคะคุณผู้ฟัง ค่ะและเพื่อเป็นการน้อมล้ำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะเนื่องในวันปียามหาราชนี้นะคะก็รายการของเรานั้นก็จะนําเสนอจังหวัดประทุมธานีค่ะถ้าคุณผู้ฟังท่านใดนะคะยังไม่เคยมาเที่ยวจังหวัดประทุมธานีหรืออำเภอธั ญ, ญบุรีนะคะซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรีแล้วก็อย่าลืมมาเที่ยวกันนะคะคุณผู้ฟังและสําหรับช่วงนี้รายการของเรานั้นต้องขอพักสักครู่ค่ ะ, คะและพบกันในช่วงต่อไปนะคะช่วงวัฒนธรรมพลาเพลินค่ะคุณอากาศนั้นจะ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 เขารวมโครงการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันการสื่อสารกับชาวต่างชาติแนะนำข้อมูลการศึกษาต่อและฝึกงานในต่างประเทศในอ l i ล h Zone พร้อมให้บริการทุกวันอังคารเวลา1 2บสนิกาถึงนกาที่ชั้นสาสำนักวิทยะบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย สอบถามเพิ่มเติมที่02 549 3653 Culture Travel ช่วงวัฒนธรรมผ่าเพลินสนับสนุนโดยคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั ญ, ญบุรีสถานศึกษาชั้นนำด้านเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนที่มีความแข็งแกร่งระดับประเทศก้าวสู่ระดับภูมิภาคและระดับสากล สวัสดีครับท่านผู้ฟังินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Culture Travel ในช่วงที่สองกับช่วงวัฒนธรรมผาเพลินซึ่งออกอากาศทาง fm 8 9 5สาหามหาวิทยาลัยเทคโนโลีราชมงคลจัญบุรีซึ่งเกิดกับผมครับออกัสพิพัฒนพงศ์วัฒน ก, กัญญาคุณรับหน้าที่ต่อจากพี่โบที่จะพาทุกท่านเดินทางท่องเที่ยวไปตามแหล่งท่องเที่ยวต่างเพื่อศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมของแหล่งนั้นครับ สำหรับสัปดาห์นี้นะครับท่านผู้ฟังเราเดินทางกลับมาที่จังหวัดปทุมธานีอีกครั้งหนึ่งซึ่งปัตุมธานีนั้นก็มีแหล่งท่องเที่ยวนะครับทางด้านวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมแล้วก็นะครับวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่นอย่างมากมายเลยแต่วันนี้นะครับเกาจะพาท่านผู้ฟังเดินทางไปที่แห่งนี้ครับนั่นก็คือพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติตามรอยวิถีเกษต ร, ร, รษของในหลวงรัชกาลที่๙ครับ ซึ่งหลายคนนะครับก็คงคุ้นเคยกับสถานที่แห่งนี้แต่ละหลายคนก็คงอาจจะยังไม่รู้จักกับสถานที่แห่งนี้วันนี้เดี๋ยวอก็พาไปเที่ยวชมสถานที่แห่งนี้กันครับพิพิธภัณฑ์กา ร, กรเกษตรเสลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่เผยนะครับพระอัจฉริยะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาอย่างแท้จริง เป็นอีกหนึ่งครับพิพิธภัณฑ์ที่บอกเรื่องราวองค์ความรู้ที่นําไปสู่การปฏิบัติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระประสมเดชราชการที่เภายในนะครับมีความสนุกและความเพลิดเพลินเต็มไปด้วยสื่อและเทคโนโลยีการนําสืบข้อมูลแบบอย่างทันสมัยเหมาะสําหรับคนทุกเพศทุกไวัยได้เข้ามาศึกษาหาข้อมูลความรู้วันนี้นะครับเราจะพาไปนะครับทัวร์พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ทุกซอกทุกมุมเลยนะครับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ครับตั้งอยู่บริเวณตรงข้าม ท่โรงพยาบาลกาลุนเวศนวนัตครนตำบลบึงหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธา น, นีบนพื้นที่กว่า300ไร่กระตุ้นผู้ฟังทําหน้าที่ในทางในการเผยแพร่นะครับพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยกับความสัมพันธ์ในด้านการเกษตรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรวมถึงยังเป็นแหล่งความรู้โครงการพระราชดำริพระราชกรณียกิจและโครงการพระราชพิธีต่างๆที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตร ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ประกอบไปด้วยห้องฉายภา พ, พ ย, ายนตร์สมิติหุ่นจำลองฉากกำลองมัจจิมีเดียหลากหลายรูปแบบด้วยกัน ภายในพิพิธภัณฑ์แบ่งออกเป็นสองส่วนใหญ่ๆได้แก่พิพิธภัณฑ์ในอาคารนำเสนอภาพชริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ด้านการเกษตรและวิธีเกษตรไทยผ่านสื่อแบบผสมผสานที่ทันสมัยและพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งซึ่งเป็นฐานการเรียนรู้การทำการเกษตรต่างๆ สำหรับพิพิธภัณฑ์ในอาทานแบ่งโซนการจัดแสดงออกเป็นดังนี้กันต้องรูบฟังโซนจัดแสดงที่หนึ่งเป็นพระราชพิธีในวิถีเกษตรแสดงให้ถึงความสำคัญของพระราชพิธี พืชมงคลจดพระนังขันแรกนาขวัญโดยทางด้านซ้ายใ น, นการตั้งรับฟังเป็นจิตกรรมฝาผนังและด้านขวาก็เป็นจิตกรรมฝาผนังเหมือนกันที่ยืนยันว่าพระราชพิธีนี้มีมาตั้งแต่โบราณกาลและกษัตริย์ทุกยุคทุกสมัยส่งให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งครับสำหรับโซนที่สอง กษัตริย์เกษตรโรงภาพยนตร์สมิติขนาดย่อมจุได้120ที่นั่งจะแสดงความเป็นมาของคำว่ากษัตริย์ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับการเกษตรสำหรับโซนจัดแสดงที่สเรื่องของพ่อในบ้านเรา หลักการทรงงานรวบรวมแนวประพฤติปฏิบัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ซึ่งสำนักงานกป ร, รได้รวบรวมไว้23่ข้อเพื่อให้ประชาชนยึดเป็นแนวปฏิบัติครับ ดอกบัวแห่งปัญญาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงให้ความสำคัญกับภาคการเกษตรด้วยทรงประจักดีว่าเกษตรกรรมเท่านั้นที่จะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศดังนั้นเมื่อพระ อ, องค์ทรงพบว่าภาคการเกษตรมีปัญหาใดๆก็จะพระราชทานแนวทางแก้ไขปัญหานั้นๆเรื่องของพ่อในบ้านเราภาพรอยยิ้ม้วยความสุขของคนไทยแต่มพระบารามี ชมและรับฟังบทเพลงที่ทรงประพันธ์ขับร้องทำนองขับร้องโดยกวีซีไร้ ai, คุณศักดิ์สิริมีสมเสืบกับบทเพลงที่มีชื่อว่าบ้านของเรามีพ่อโซนจัดแสดงที่4ี่ก็คือหัวใจไฟ่เกเตรดินแดนที่จะทำให้ทุกท่านพบกับความสุขสนุกสนานเรียบง่ายในวัยเด็กผ่านของใช้ของเล่นจากธรรมชาติที่ทาอย่างง่าย โซนจัดแสดงที่5ตามรอยพ่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับโซนจัดแสดงที่6วิธีเกษตรของพ่อพระอัจฉริยภาพด้านดินน้ำป่าและคนผ่านโครงการสวนพระองค์ศูนย์จิตระดาโครงการหลวงและศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง6ศูนย์โซนจัดแสดงโซนที่7 ภูมิพลังแผ่นดินพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ตั้งแต่ทรงพระยาวในพระอภิบาลของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพร้อมแนวคิดและแนวปฏิบัติในแต่ละช่วงวัยผ่านบิ๊กบุ๊คเรื่มใหญ่ครับบนจัดแสดงโซนที่8นวัตกรรมของพ่อรวมผลงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทั้งด้านวรรณกรรมศิลปะดนตรีสิ่งประดิษฐ์ต่างๆที่จดสิทธิบตัตร จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและแจ้งจดลิขสิทธิ์เพื่อเป็นมรกสำหรับคนไทยและประเทศสื่อไปสำหรับโซนจัดแสดงที่9ครับคือโซนน้ำคือชีวิตเรียนรูว้ว่าทนจัดของน้ำจากฟ้าสู่ป่า เขาไร่นาจนมาถึงท้องทะเลนอกจากนี้ยังมีพิภันฑ์การแจ้งในส่วนของนวัตกรรมการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรตามรอยพอ่อโดยมีแปลงสาธิตการทำเกษตรต่างๆทั้งการผูกข้าวทำแปลงนาอินทรีย์เทคนิคการทำนาต่างๆการทำแปลงผักการผูกพืชสมุนไพรการเพราะเห็ด ไปสนุนการปัสสุสัตยครับท่านผู้ฟังและเป็นประจำทุกต้นเดือนในแต่ละเดือนพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมประเกียรติจะมีการจัดนิทรรศการเป็นประจำทุกเสราร์อาทิตย์ต้นเดือนพิพิธภัณฑ์เกษตรดาับได้มีการจัดกิจกรรมอย่างมากมายเลย ท่านผู้ฟังท่านไหนเดินทางไปก็อย่าลืมนะครับไปช้อปปิ้งนะครับผลไม้หรือว่าพืชผักต่างๆนะครับที่มาจากการเกษตรแบบอินทรีย์ได้จากพิวิธภัณฑ์แห่งนี้เลยครับบ อ, อกได้เลยนะครับสำหรับคนที่รักสุขภาพนะครับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตอบโจทย์ท่านอย่างแน่นอนเพราะว่ามีทั้งพืชผักอาหารต่างๆนะครับที่รสชาติก็บอกได้เลยนะครับว่าหวานอร่อยมากๆเลยตัว ของการเองเนี่ยก็เป็นนั่งรับประทานอาหารกลางวันนะฮะเมนูที่ชอบมากที่สุดเลยนั่นก็คือเมนูขนมจีนนะครับก็ อ, อยู่ตรงตลาดนะครับที่จะมีในเรื่องของการขายพืชผักต่างๆราคาก็ถูกแสนถูกเสิร์ฟเกินครับสําหรับการเดินทางมาพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ถ้ามาโดยรถยนต์ส่วนตัวครับใช้เส้นทางนะครับถนนประหลนโยธินมาจากฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะครับหรือจะใช้ด่วน ดอนรัชยานะครับลงด่านเชียงรากผ่านมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตผ่านโรงพยาบาลการลุนเวทขึ้นสะพานกับรถนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าซอยนะฮะเทพกุญชร42ซอยโรงแรมแมนฮัตตันนั่นเองข้ามสะพานแล้วเลี้ยวขวาขับขับเรียบคองหนึ่งวิิธภัณฑ์การเกษตรจะอยู่ทางด้านซ้ายมือหรือขึ้นสะพานกับรถตรงมานะครับแล้วก็เข้าซอยเทพกุญชรที่ 34ครับหมู่บ้านอื้ออาทรเลี้ยวซ้ายข้ามสะพานแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับขับเลียบคลองหงเหมือนกันแล้วก็บิบิลานเกษตรจะอยู่ทางด้านขวามือครับสําหรับรถตู้โดยสารนะครับก็สามารถขึ้นรถตู้โดยสารที่สายอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินวนะครเกาะพญาไทยนะครับฝั่งห้างสรรพสินค้าเซ็นเตอร์วันลงนะครับทีบท่หน้าโรงพยาบาลการุนเวชเดินข้ามสะพานลอยไปฝั่งตรงข้ามก็จะถึงไปพิพิธภัณฑ์การเกษตรสําหรับท่านที่เดินมานะฮะ ที่มาจากรถตู้นะครับพอเดินข้ามมาปุ๊บก็จะเจอร้านกาแฟอย่าลืมแวะทานกาแฟที่นี่นะครับก็พอบอกกัได้ว่าเป็นกาแฟที่สุดยอดเหมือนกันอีกร้านหนึ่งเลยครับสำหรับด้วยรสายประจำทางอนุสวรีชัยสมรภูมิขึ้นรถสาย 29, 34 5,10-52 าลงท่ารถต่างจังหวัดตรงข้ามฟิวเจอร์พาร์คลังสิตครับต่อรถโดยสารประจําทางสาย338ลงหน้าโรงพยาบาลกาลุนเวชเดินข้ามสะพานลอยไปฝั่งตรงข้ามเช่นเดียวกันกับประตู้โดยสารครับพิพิธภัณฑ์การเกษตรนะครับก็จะอยู่ตรงหน้าเลยนะครับสำหรับสายภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับลงพิพิธภัณฑ์การเกษตรอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลการลุนเวทเลยถ้าสมมติว่ามาจากทางภาคเหนือหรือว่าภาคกลาง ภาคหลอดเชิงเนื้อถ้าลงมาก็จะอยู่ทางด้านซ้ายมือเลยโดยไม่ต้องข้ามทางมานะครับสำหรับสายใต้นะครับก็ขึ้นรถตู้นะครับที่สถานีขนส่งสายใต้ครับลงท่ารถต่างจังหวัดข้ามมาฟิวเจอร์พาร์คพังสิทธิ์ต่อด้วยรถเมยสาย338สามแอย่างนี้กันได้บอกทางต้นครับโรงนะครับป้ายบริเวณโรงพยาบาลการุเวศเดินข้ามสะพานลอยเข้ามาก็จะเจอพิปัตภการเกษตรเลยนะครับพิพิธัณฑ์แห่งนี้เปิดให้บริการเข้าชมทุกวันอาคารถึงวันจันทร์ครับเวลา9ก้นาฬิกาถึงเวลา16บหนากาเป็นบริการ ให้เข้าชมตั้งแต่วันจันทร์และก็วันหยุดในขัดตะเลิกประสมหมายเลขครับ025292212ถึง13ครับ หรือนะครับสามารถติดต่อที่กลุ่มงานสื่อสารสัมพันธ์สำหรับท่านนะครับที่จะต้องการนะครับเดินทางเป็นหมู่คณะนะครับหรือว่าติดต่อคณะสําหรับเข้าชมร่วมถึงต้องการพักแคมป์ในพิพิธภัณฑ์เกษตรแห่งนี้เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมการเกษตรซึ่งก็จะมีกิจกรรมนะครับต่างๆเนี่ยให้ท่านนะครับสามารถติดตามหรือว่าขอข้อมูลเพิ่มเติมในที่โทรศัพท์หมายเลข087 359 7ดเจหรือว่า094 6,4,9 2 3 3 3ครับตาสำหรับค่าเข้าชมนะครับผู้ใหญ่50บาทเด็ก30บาทกนหนึ่งเข้าชมต่อหนึงอาคารเวลาเปิดปิดก็อย่างเดียวกันบอกข้างต้นครับเก้นาฬิกาถึง16บหนาฬิกาครับ ท่านไหนนะครับที่ยองว่างต้องการพานะครับสําหรับเยาวชนนะครับหรือว่าพานะครับคนในครอบครัวนะครับเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงก็พักผ่อนหย่อนใจสถานที่แห่งนี้ครับพิ่พันการใศ่เฉลิมพระเกียรติก็เป็นสถานที่หนึ่งของจังหวัดปทุมธานีที่น่าท่องเที่ยวไม่แพ้ที่แห่งใดเลยครับสำหรับสัปดาห์นี้อกราพิโบหมดเวลาลงที่เรียบร้อยแล้วและขอขอบคุณข้อมูลจาก travel o t kapook com ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลในครั้งนี้สำหรับสัปดาห์นี้เอกราพีโบราท่านผู้ฟังไปก่อนสาหรับสัปดาห์นี้ขอขึ้นเสวัสดีครับ